โมทนาก็าจะเลยพอทังยมเขาจะคุยมีผ ท, ที่มาสนทนากันในเรื่องของสังสารวัตก็นสนทนาก็ไปตามสะดวกสบายก็คุยไปถึงตรงไหนสอบถามก็บันทึกเป็นไปตามตามข้อมูลที่น่าคุยเนี่ยก็คือปารากในเรื่องคาว่าสังสารวัตก็จะเป็นข้อมูลในการวิคนวาและจะได้จารึกระเบิดรึในการที่จะทา ก, การทำสิน ในคานำที่ทางโยมได้ปารพเขาไว้ก็คือคำว่าสังสารวัตรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการอ่านเรื่องความยาวนามของวัตตะที่ไม่รู้ที่สุดของเบื้องต้นและเบื้องปลายในพระตรีติดกที่ทางโยมปารลบมาคือว่าในคำพีสัมยุตตานิการนิทานวัตร ที่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกเนี้ผู้ที่ไม่เคยเป็นปีดามารดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาวงศาขนายาญาติสนิทมิตรสหายในการนันยาวนานอย่างนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายเลยเราทั้งหลายต่างไม่เคยร่วมทกประสบความสูญเสียความเผ็ดร้อนและความพินาศมาแล้วยามากมายไว้เพียงไร และคนมาสรุปคาบอกควาน้นํานมของมันดักที่พวกเธอท่องเที่ยวไปในการยาวนานมากกว่าน้ําในมหาสมุทรหมายถึงการดื่ม น, น, น, น้ํำนมนี้คุณแม่น้ําตาที่หลั่งไหลจากคอจากสรีระของพวกเธอที่เที่ยวไปแล้วคำควรร้องไห้อยู่ก็ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพลาดกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจความที่น่าจาับย่จากสมบัติก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่โลหิตที่ไหลาจากกาย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 เก่าห้ารูปที่ลคาะที่เป็นล้อมภูเขาล้อมเมืองราชครึ่เมืองราชครึ่เนี่ยก็จะเรียกเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบล้อมรอบใช่ไหมหรือบางทีก็เรียกคิริพัชชะแต่ว่ามีคอกเป็นภูเขาเมืองราชครึ่ในนั้นก็คือเนี่ยเวปุลระมีภูเขาเวปุละอยู่ด้วยคือกองกระดูกของสันมากกว่านั้น บางคนจากโลกนี้ไปสู่ปาระโลกบางคนจากประโลกกลับมาสู่โลกนี้ท่องเที่ยวไปมานิยุบงเวียนเนี่ยนิรเสวะกรรมวิมปากวิปัสสนาวิปชาเป็นเครื่องกางกั้ตนตรงนี้ไม่ใส่ไว้ประธาหาประกอบไว้ในอุปมาเหมือนกับภูเขาหินใหญ่กว้างหนึ่งยอดยาวหนึ่งยอดสูงหนึ่งยอดไม่มีโพรงไม่มีช่องเป็นแท่งทึบุรุดพึงละผ้าแคว้นกาสีมาปัดถูเนาะ ย, ยอดเขานั้นร้อยปีหนึ่งครั้งความพยายามนี้เนี่ย ภูเขานั้นย่อมยังโอกาสที่จะหมกไปสิ้นส่วนกลับหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไปฉะนั้นบรรดากลับที่ยาวนานอย่างนี้เนะาะเพราะเธอท่องเที่ยวไปไม่ใช่หนึ่งขับไม่ใช่สองขับพันขับไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนลับเพราะสังสารวัตรนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ตรงนี้หมาว่าเพื่อระคายายบุกสังสารวัตรนี้อันมีที่สุดและเบื้องปลายอันบุคคนรู้ไม่ได้คือสัตว์เน่ไปรู้ไม่ได้จะไหม เวทพระพุทธเจ้านี่งนะพระพุทธเจ้านเป็นสัตที่ประเสริฐกว่าสัสทาทั้งหมดนี่เรากำงพิจารณาดูว่าสังสารวัตมันยาวนะทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสังสารวัตเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกกับท่ า, านยมรา์ไปก็คือว่ามีในบทของพุทธคุณคำว่าอารหังเนี่ยอารหังก็คือ พราะพระภูมีโยปภาคนั้นเป็นนาฏ ท, ทรงทําลายฆ่าสึกทั้งปวงก็คืคอกิเลสคือราค่าโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิชายินดกาโนตตตาอุทะจักก็คือทําลายด้วยสัตวุธก็คือปัญญาในอริยธร ร, รมเพราะเหตุห น, นี้นะเนี่ยพระองค์จึงได้รักขนาดพระนาม ว, ว่าอราหันเนีออ่ยคําว่าอรหันอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าหักหักหักําลังเห็นสังสารจักร ก็เชื่อมความที่บอกว่ายันเจตังสังสารจักกันสังสารจักเนี่ยอันใดที่มีอวิชาและภวะตัณหาทั้งสองต้าลงแล้วด้วยดีทั้งภายในและภายนอกเป็นอวัยวะที่เป็นรากเง่าเหมือนกระดุมงองร้อถเป็นชื่อของสังสารจากักเพราะฉะนั้น ท, าท่านจะบอกว่ามีดุมมันสําเร็จเรื่อวิชาแล้วก็มีภวะตัณหาเป็นดุมเนี่ย ดุมรถดุมล้อดุมเวียนอย่างนี้ในที่นี้เอาอาวิชาแล้วเอาเพราะว่าตัณหาเป็นดุมส่วนปุญญาพิสังขารในปุญญาพิสังขารในนินชาพิสังขารเนี่ยเชื่อมกับวิชาและตัณหาแล้วก็ชลาลมรณะเป็นปัจจัยเป็นผลกับการที่จะเชื่อมดุมและกงกเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านก็กล่าวว่ามีสังขารคือปุญญาพิสังขารอานินชาพิสังขารแล้วก็ปุญญาปัญญาและอานินชาเนี่ย แลชะลามรณะปรากฏเดียวาัเป็นที่สุดในภพแล้วก็มีชะลามรณะเป็นโกงเพราะทำชะลาและมรณะให้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นโกงเขาก็เป็นเหตุเป็นประธานแห่งการหมุนไปของร้อฉันใดอาสวะสมุทรไทยก็เป็นเหตุอันเป็นประธานแห่งการหมุนไปของสังสารจักเหมือนกันเช่นะั้นทีนี้ตรงนี้ถ้าพูดไปก็คืออวิชาและภาวะตัณหาเหมือนอะไร อวิชาและเพราะวัฒนานั้นเป็นดุมส่วนไอตัวสี่กรรมที่ไปเชื่อมกับดุมอันนั้นตัวเป็นปุญญาปุญญาและปัินชาเข้าใจยังไหมตัวตัวเจตนากรรมไงกรรมที่เป็นบุญทั้งเจตนากรรมที่ในมหากุศลเจตนากรรมที่ในโลกกุศลนจะนี่เป็นกรรังนี่เราเร า, เราจะเห็นตรงเนี้ยจะได้ไปเข้าใจคําว่าสังสารก็ <ๆ BMW. S 1> จะหักยังไงใช่ไหมมันทีนี้ ไอตัววิชาตัวภวะตัณหาเนี่เป็นตัวดึงไอตัวเจตนากรรมเจตนากรรมเจตนาที่เป็นบุญและเจตนาที่เป็นบุญที่ในหมาอุปสนเจตนาที่เป็นบุญที่ในรูปกุสมอันนี้นั่นส่วนหนึ่งอันนี้คือเจตนาที่เป็นบุญเจตนาที่เป็นบาปหมายถึงเจตนาที่ในอัุศละจิตอปุญญาที่สังขารและเจตนาที่เป็นอนินชักคือเจตนาที่ในอรูปอุสม สรุก็คือท่านวางเจตนาสามแต่ไปแยกไปเยอะอันนั้นเหมือนซี่กับซี่กรรมที่เชื่อมกับดุมส่วนชาและมรนานเะหมือนก ổ ng, ổ ng ลงกลงรอบนอกเห็นไหมว่าตัวซี่กรรมเนี่ยตัวซี่กรรมเนี่ยเชื่อมดุมแล้วก็ไปเชื่อมกับกงเห็นไมนึกอเห็นไหมนึกออกเลยนะตรงเนี้ยจะเห็นชัดเลยตรงเนี้ย<า>นันตัวซี่กรรมมันไปเชื่อมกันกับดุมกัเชื่อมกันกับกลง รอบเลทั้งเจตนาที่เป็นบุญเจตนาท in ี hmm <sk> ่เป็นบาปเจตนาที่เป็นอันเนรชักสรุปก็คือว่าเจตนาเหล่านี้นี่แหลมันไปเชื่อมกันกับไอ้ดุมเชื่อมกันตับกรงนี่แหละเจตนาเหล่านี้ที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ไปเกิดในอบายภูมิบ้างที่เกิดในสุขติภูมิบ้างที่ไปเกิดในรูปภูมิและรูปภูมิบ้างนี่แหละหลุดจากเจตนาครับที่ในเวลาเจตนาการไปเชื่อมกับดุมนั้นในดุมนั้นมันมีอวิชา แล้วเขาบอกว่าตันขาขาที่นี่มีแค่นั้นแต่ล้อมันหมุนได้มันไม่ได้มันต้องมีเพล า, าเอ็เพลาคือเหล็กที่สอดเข้าไปในดุมเขาเรียกเพลาเ<ม>พาของล้อเ<ม>พลาของรถเอ็เ<ม>พลาตัวเนี้ยท่นเหมือนอาสวะสมุ ท, ทยัยโกกามาสวะป ว, วาสวะทิฏฐาสวะที่เหล่าเ อ, อ็กอาสวะเหล่านี้เป็นสอดเข้าไปชื่อว่าเป็นอาสวะสมุ ท, ทยัยก็เป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลายนิยมิชาเป็นต้น ก็หมายความบอกว่าทำทั้งหลายเมียวิชาเป็นต้นเนี่ยจะหมุนไปไม่ได้ถ้าไม่มีเถาแล้วต้องมีโลกว่าอะไรเป็นอะไรเป็นปัจจัยของวิชาอาสวะเนี่ยถูกไหมดังนั้นตัวอาสวะเป็นปัจจัยของวิชาถ้าเราได้อวิชชาแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันเป็นวัตถศีสัะแต่วัตถศีสานมันจะหมุนไปไม่ได้ทีถ้าไม่มีเถาถ้าสอดเถาก็ไปพุทธ มันกรึ่งไปได้เลยล้อเอาสิมันพาโครงพาอะไรไปได้หมดอ่ะพาดุลไปได้พากรรมไปได้พาเทาไอ้พาพาดุลพากรรมพาก ร, รมไปได้ไอซ้ซี่ไอ้ตัวกงเนี่ยกงรอบนอกเหมือนชราบารณะเป็นเชือกั น, น, บบนห้างน่าจะขันห้าแต่ท่านพูดถึงชราบารณะก็มีชาติเป็นปัจจัยไงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปแก่ไปเจ็บไปตายไปวิบัติขัดภาค มันก็กลิ้งไปในกลามปพบในรูปประพบในรูปประพบกิ้งไปสิถ้ากิ้งไปบางพบกว่าขันห้าบางพบกว่าขันสี่บางพกว่าขันหนึ่งกลิ้งวปสินั่นไงว่าตามมันหมุนเห็นชัดไหยชัดมากๆเลยเนี่ยมันหมุนไปอย่างนี้เนี่ยมันจะหมุนปุ๊บปบบไปเลื่อยไปตามกางประพบรูปปพบแล้วรูปปพบทีนี้รถรถก็คือพบสาม มีการมาพบรูปประพบเละมันบพบ อ, อันต่างด้วยวิบากและกับตัตารูปก็หมายความว่าอันตางด้วยเวทนาสัญญาสังขารม ญ, ญญา mm hmm. และก็การมาชรูปก็คือรูปประขันก็คือฐานห้าเป็ต้นนั่นเองอันประกอบเสมอในปัจจัยของตนและโดยการทั้งปวงคือตั้งตั้งแต่ต้นมาและเพราะฉะนั้นน่ยท่านถึงใช้หลักสมมาโจที่ตังก็แปลวประกอบไว้เสมอประกอบไว้โดยทั้งปวงตั้งแต่เบื้องต้นเป็นต้นนั้นเนอง ทัานดิงวิเครอร์บอกว่าสังสาระที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเป็นไปตลอดเนี่ยมันหมุนไปน่ะเรื่องต้นก็ไม่รู้ว่าจะหมุนไปตรงไหนมาจากตำแหน่งไหนมันจะหมุนไปสุดที่ไหนก็ไม่รู้มันจะไปรู้ได้ยังไงก็มันหมุนไปการมมาพบจากกรรมมาพบไปรูปประพบ้างจากรูปประพบไปรูปบ้างจากอารูป์ไปลงมากรรมมพบอีกกรรมมพบไปหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราหมุนอยู่เนีการมมาพบได้ทั้งรู้กี่ล้านรอบก็เป็นหมุนในรูปประพบมีรู้กี่ล้านรอบ ไปหมุนในรูปประภมไปรู้อีกหลาล้านรอบหมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเบื้องต้นจะทับยังไงก็มาเล่หมุนอยู่อย่างเงี้ยมันเหนื่อยเ่ยถ้าไปนนับเบื้องต้นเข้าใจใช่ไหมเนี่ยถ้ามันหมุนอยู่อย่างเงี้ยท่านเดี๋ยวก็หมุนอยู่ในกาลปภูมิเดี๋ยวก็มุนอยู่ในรูปประภูมิอย่างเช่นไปหมุนในกาลปะภูมิจะเป็นหลายล้านรอบก็ไปทับยังไงไปหมุนอยู่ในรูปประภูมิอีกหลายล้านหลายล้านรอบเป็นหมุนในรูปก็อีกหลายหลายล้านรอบตัววัฏฏะตัวสังสารมันก็หมุนไปอย่างเงี้ยท่านจึงบอกว่า ขันดานังปฏิปาติจาทาธาตุอายตนะนะจาอโพชินังวัตามานาสังสารโรตีปวัจ <im Roth> ตีนะเนี่ยบอกลำดับแห่งการหมุนมี่งขันการหมุนของทาการหมุนของอายตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายนี่แหละเรียกว่าสังสาร เี่ยเรกว่าสงสารคภาษาไทยเียกว่าสงสารวันเดียวเลือกสังสารวัตรหมุนแล้วขันห้าหมืุนขันหนึ่งหมุนขันสี่หาเบื้องต้นก็ไม่ได้หาเบื้องปลายก็ไม่ได้นี่มันจะเน้นคําว่าเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีที่สิ้นอันนี้เน้นเน้นคําว่าสังสารเน้นคำคำไอ้เบื้องหาเบ้องต้นคำว่าสังสารวัตะเนี่ยจะมองอย็นว่าเป็นอย่างนี้เอง เป็นอย่างนี้เราจะมองเห็นองก์พยายนของพระเจ้าเนี่ยท่องใสใสแจ๋วมองเห็นหมดเลยเพระองค์จิตตัดทำนี้ออกมามองเห็นไหมคําว่าโพธิเนี่ยเป็นปัญญาโพธิโพธิยันโพธิยันสถานที่ใช่ไหมโพธิมันโพธิมันเดก็แปลว่า น, วน่าสถานที่หรือในการอันมีความปองสใสเห็นพญานโพธิมันเด เป็สถานที่ที่ทำให้พยานของพระพุทธเจ้าผองไสหรือโพธิมุนทนโพธิมุนทนใหพยานของพระพุทธเจ้าไปผ่องใสในที่ตรงนี้แต่ก่อนไม่เคยผ่องไสมาเลยอะในสังสารวัฏมายี่สิบประสงใสยิ่งด้วยแสงมหากรบไม่ผ่องใสแต่มาส่องใสผ่องใสสายแก้วในที่ตรงนี้ถึงความผ่องใสเห่งพยานกล่าววือโพธิโพธิก็แปลว่าปัญญาปัญญาเกิดขึ้นก็คือผ่องใสสายแก้วในสถานที่นี้ในการนี้ เห็นทั้งที่ตรงนั้นที่ชื่อโพธิมุนทุมันโดโพธิมันโดตเป็นอะไรกันก็แปลว่าเป็นที่ผ่องใสอย่างนพรา้ปัญญาขึ้นตัตรู้นี่เป็นนี้เห็นโอ้พระพุทธเจ้าเห็นสังสารวัฏว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นคําที่จะสังเสริมคุณของพระพุทธเจ้านี่ไงยพุทธคุณในขนาดนี้เลยใช่ใช่ใช่การเนี่แหละเป็นคําอธิบายพุธคุณแล้วต้องเชื่อมให้ได้ถ้าอธิบายหนังสืออะไรก็แล้วแต่ ทำให้คนเห็นหรือว่าพูดถ้าทําให้คนเห็นคุณของพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่ายังไม่บรรลุยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายต้องเชื่อไม่เห็นว่านี่ไงการตัดสินใดีของพระพุทธเจ้าทําให้เราทั้งหลายได้เห็นโทษของสังสารวัฏได้เห็นพระคุณนี่ว่เห็นโทษของสังสารวัฏก็ทําว่าพระคุณเกิดแล้วพราะพระุทธเจ้าต้องการให้เราเห็นโทษ<อ>เห็นเห็นพบภูมิตามความเป็นจริงไม่ใช่มันนั่งมัวเมากันอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่มนันนั่งเพื่อเพื่อกัอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันนั่งก่อติดพกภูมกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าวันวันหนึ่งก็เที่ยวอะไรกันก็ไม่รู้ใช่ไหมเรกแวกเรแหววไปกันมาอยู่เนี้ยแล้วก็ท่องเที่ยวไปมาอยู่แต่เราม่เห็นโทษของสสารวัตเราไม่เห็นคุณของพระองค์ไอคำนี้เนี้ยข้าพระองค์ไม่เห็นคุณของพระศาสนาแต่เวลาเราจะสืบความหมายของคำว่าสรสารวัตเนี้ยเราเห็นคุณของพระศาสนา แต่ต้องการให้ผู้อื่นนั้นเห็นคําว่าสังสาวรวัฏแล้วก็เชื่อมโยงเห็นพุทธคุณ <บ LI. S 1> เห็นคุณของผู้มีพระเจ้าว่าคําคํานี้ที่ออกมาได้เพราะการตัดสรู้ของบางภู่มิพระาเจ้าที่โพธิมณฑลเพราะโพธิมณฑลตรงนั้นจะเกิดโพธิมันเดก็แปลวนันณัสถานที่หรือในการในพิการผ่องใสเห่งปัญญาเนั้นโพธิตรงนั้นก็แปลวปัญญาปัญญาเกิดแล้วส่องใสแล้วใสแจ๋วแล้วเนี่ย ในการนี้เหตุนั้นน่ยในการนั้นจริงชื่อว่าโครที่มันทุก็แล้วเป็นที่ผ่องใสพยานเรื่องจัตุรุของพระบรมศาสดาถามว่าแล้พยานเนี่ยพยานของพระบรมศาสดาเนี่ยท่องใสได้ด้วยอะไรนะก็ด้วยว่าด้วยพระบาทพระบาทขององค์คือพระวิริยะด้วยพระบาทหมายพระวิริยะกล่าวคือวิริยะของพระองค์ซึ่งเป็นไปในสองประการมีหน้าที่เยียบ เหยียบไปในธรรมที่เป็นปักฝ่ายความเศร้าหมองแล้วก็ย่างไปในธรรมที่เป็นปักฝ่ายความของแค้เห็นไหมสมมประธานพระพุทธึงสมมประธานแท้ที่จริงก็พูดออกมาสมมประธานเนี่ยก็คือเหยียบไปในไหนพระบาทของพระเจ้าเนี่ยก็คือมีหน้าที่เหยียบไปในธรรมที่เป็นปักฝ่ายความเศร้าหมองแล้วก็ย่างไปในธรรมเป็น ต่อไปความผมจะเอากลมายความว่าถ้าองค์ละบาปในอดีตนะแต่ความเพียรในการละบาปถามว่าตรงนี้สําคัญก็ไปเชื่อมโยงหลักปฏิบัติง ไ, งไปเชื่อมยังไงใช่ไหมต้องการจะชี้ให้ให้โยมอาจารย์ยังไงเชื่อมยัมมงไงอายุตัวอย่างที่ว่าตัวสมบัติานเขาเยกว่าบาปอกุศลของเราท่านทั้งหลายที่เคยทําไว้แต่ถามว่าเจตนากรรม ตัวสังขารทั้งหลายสังขารมีสองส่วนสังขารคือกิเลสถ้าสังขารที่เป็นตัวเจตนาใช่ไหมสังขารตัวนั้นคือตัวเจตนาชนิดสังขารตัวนั้นคือกิเลสวนิดวิบากไม่ต้องนหญ่ยังอย่าเพิ่งพูดถึงเอาสังขารที่เป็นกิเลสในอดีตทําทำมาเยอะนะทีนี้กิเลสเหล่านั้นที่เคยเกิดมาแล้วในอดีตยังไม่เคยถูกปัญหาดิ้นมากเลยเพราะเรายังไม่เคยประกอบมากกวับ มากแล้วเมื่ อ, อกเิเลสเกิดในสังสารวัฏ ส, สรุปแล้วกรรมเกิดแล้ว <Yeah. S 1> ทีนี้กรรมที่เคยทําไว้ในอดีตเพราะมีกิเลสเป็นเหตุแหกรรมโอ้โห oh, มากแล้วกรรมเหล่านั้นสําเร็จแล้วทําไงอ่ะที่ต่าธรามาเวทนียกรรมก็เสร็จไปแล้วอุปราตก็เสร็จไปแล้วโดยเฉพาะที่น่ากลัวที่สุดก็คืออป拉布拉เวทเนียกรรมคือเจตนากรรมที่ในชันะัดวงที่สองถึงดวงที่หกเจตนากรรมวันนี้สิ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 ถ้าทาาําอเยมรละไม่ได้เนีะเจ็บปวดเนี่ยสังสารละกันเนี่ยเพราะมันจะให้วิบากมองเห็นใช่ไหมมันจะให้วิบากอย่างยาวไกลเลยอะ่ะพระโสดาบันก็โคตได้จากสังสาระวัฏที่หาเบ้นต้นและที่สุดไม่ได้โคตรบริเจตได้ก็แปลว่าก็ตัดกรรมได้หากกรรมได้อยนะ่างนี้ยทําว่าละอย่างนั้นก็คือต้องละทิมมะจะละทิมมะ แล้วมักต้องเป็นอริยมักเยียบเวลาที่วิชาวมัอ <Yeah. S 1> ใช่ไหมต้องลาด้วยอริยมักเท่านั้นถึงจะสามารถละอะไรละกิเลสแล้วก็ละกรรมในดีเพื่อจะได้ไม่ให้วิบากที่จะเชื่อมโยงไปในอนาคตอีกต่อไปห็น mm hmm. ไหมเนี่ยเราจะได้เห็นถ้าอาจารย์มัดเกลี้ยงเยเนี่ย สกาคาคามีมาระยังไงนาคามีมาปรปฏิการวิบากมีการมาพบทั้งหมดลาด้ามูลเลยเองไอสังขารในการมาพบที่เป็นเจนนากรรมทั้งหลายกิเลสที่เป็นเยนถึงกรในในในในใ น, ใ น, ใ, นในการมาพบหมดเลยเกลี้ยงเลยเนี่ยถ้าหากว่าโสดาปิมาร ก, ก็คืออบายภูมิเกลี้ยงเลยเนี่ยแต่ถ้าหากว่าอารามมา ก, ก็เย็นสงบนี่ไงก็เรียกขัดกรรมเหมือนคุณโยบอกว่าเหมือนโยบอกว่า กิเลสกรรมวิบากอ่ะอันนี้ได้มาขยายใช่ไหมอันนี้ได้มาขยายสามคำนี้เนห็นไหมเนี่ยขยายชัดเลยทีเนี้ยอันนี้ใช่ไหมกิเลสกรรมวิบากไอ้ตัวกิเลสคือเป็นตัวสังขารไอ้ตัวกรรมคือตัวสังขารโยไม่ได้จอดลงไปใช่ไกิเลสตัมเนี่ยเป็นตัวสังขารในตัวเนี้ยมันจะต้องถูกล่าด้วยอะเรียมะมันถึงจะไม่หมุนสังสารแล้วถึงจะไม่หมุนขาในยะตะนาคคามันถึงจะไม่เดินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าล่าตัวนี้ไม่ได้ขาในยะตะนาคคามันจะไปเดินในใบกุ้งเยอะ แล้ที่ทําไว้เน่ยเยอะมากในปลายภูมิเนี่ ย, ะยะทำไว้เยอะมากในอดีตที่ผ่านมานี่ยทำไว้เยอะทํำไ้เยอะเลยเพราะเราเกิดมาบอกไม่รู้เบื้องต้นยังไงเมื่อไม่รู้เบื้องต้นแปลว่าเกิดมากกว่ า, ายี่สิบประสงคไขมากกว่าสีา่สิบประสงค์ไขมากกว่าแปดสิบประสงคไขแล้วกรรมเหล่านั้นยังไม่มีโอกาสผลิตวิบากอีกเยอะเอาสิรัติชดใช้กรรมเ น, นี่ยตายงี้แง่เลย ตาจริงๆคำ่ี้เนี่ยก็ไปดีมือสองเนื่องเนี่ยดีค่ะดีคัะคือมันไม่หมดอย่าไปคิดจะใช้กรรมคือชาวพูดเนี่ยไม่เข้าใจคำภาษาสาระเลยทนชใช้กรรมไปเมื่อกรรมหมดแล้วก็เลิกลบกันอย่างไงนี่ไม่เข้าใจคํานี้ต้องเลิกพูดและทำความเข้าใจให้ชัดแค่คำว่าวัดตากึซังสารวัตรมันจะได้หดสังสารวัตมันจะหดได้ด้วยการ ด้วยอริยมรรคไม่ใช่ผลได้ด้วยการบ่นด้วยการพูดลดได้ด้วยด้วยการเจริญสีสมาธิปัญญาค่ะก็คืนี่ในระหว่างที่เราอธิบายอย่างนี้นะฮะเราจะใช้คำพูดอย่างนี้แทรกเข้าไปบ้างได้ไหมได้ได้ไหมคะได้คือค้าๆกันมาเปรียบเทียบว่าไม่ใช่อย่างนี้นะะช่นั่นแหละคือ ตรงนี้เนี่ยแหละที่ตรงนี้คือจุดเชื่อมโยงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพุโพจน์ต่อโพสต์ต่นี้มันตรงพูดมันเป็นความคอมมาร์กได้มันจะมาร์กเป็นตัวเล็กๆหรืออะไรของเราเ้าอย่งนนัหรือมาร์กเล็กหรือมาร์กดำเป็นกัวเน้นว่าอันนี้เป็นคือคือจะได้ชี้ให้เห็นว่าไม่จะมาแก้ได้ตราวนี้ใช่ในะคะตรงนี้แหละซึ่งหาหาคนทําหนังสือประเภทยิ้ไม่ค่อยมี ไม่ใช่ต้องต้องเชื่อมระหว่างตูนถ้นก็เป็นวงอนั่นแหละไม่ต้องวงเล็กเขาจะรู้เขาจะรู้คนอ่านพวกนี้นไม่จับมันมาอ๋อเราเราเห็นเป็นตัวเล็กใช่ไหฮะแล้วแต่เราจะใส่ตัวหนาตัวบางค่เอาไปฟูนวดไม่ได้รองไปหัางไกลใช่ต้องจะเป็นตัวหนาตัวหนาไม่ตัวบางไมได้ทังนั้นแล้วแต่เราจะย้ําแต่คนนี้มันเป็นคาพูดของเราไม่ใช่เพราะว่าเขาจะรู้เลยว่าต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องภาษาเราเนียนะิี่จะชัด ดังนั้น ใ, ในจุดแต่ละช่วงแต่ละนั่นตรงนี้คือหนึ่งการตักมาเชื่อมต่อเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าลืมนะพุทธประสงค์สอนท่านปุณนี้อัจิยาศัยของท่านปุณนี้พุญจประสงค์ประสอนอีกสู่รหนึ่งคือท่านปุณณีและปุณนี้ทีนี้เราจะต้องเชื่อมระหว่างสู่ต่อสู่พุทธพจน์ต่อพุทธพจน์อัอาจฉริยะออัจฉริยะดีาาการต่อดีการเชื่อมให้ท่านเหล่านั้น ร้อยฟองแล้วสื่อจากการห่านแล้วเชื่อมไปติดสุดหนึ่งนะเป็นการเชื่อมสะพานให้เราเป็นการเชื่อมสะพานทางเดินเราไม่ใช่เป็นตัวสะพานแต่เราเป็นตัวเชื่อมไม่เห็นก็เขาจะได้เกาะจากสะพานหนึ่งตัวไปถึงสะพานหนึ่งได้มันจะได้เห็นว่าปฏิบัติกับคําสอนพระพุทธองค์นี่เอมันเข้ากันได้ได้นะคะนั่นตรงนี้แทรกได้เพราะเราไม่ได้ไปแทรก ก็เลยกถอะพุทธคุไม่ไมไมถ้างั้นธรรมมาอาธิบายไม่ได้เลยอธิบายออกจากตัวหนังสือไม่ได้เลยเดี๋ยวก็จะเป็นการ แ, แทรกแซงพระจ้าแต่ไม่ใช่เพราะธรรมาอธิบายเพื่อให้คนหญิงชัดในพุทธคุณมากขึข้นทีนี้มอนกันหนึ่งกรณีที่โยมอาจารย์เขียนลงไปโยมอาจารย์จะเชื่อมประโยคเ ช, ชื่อมรอยต่อเพราะรอยต่อไม่สนิทแล้วคนเดินจะเดินไปยังไงถ้าธรรมาหรอผู้อ่านอ่านๆๆจมันจะตกอ่ะ ถ้าจะตกลงเมื่อนคนละสูตรกันเนี่ยทาํางยอมยา์เป็นคนที่เป็นผู้นําเสนอ<ะ>เป็นหน้าที่ของโยมยานจะต้องเชื่อในคนเดินให้ถึงเรื่องผิดเลยค่ะทักษิณนัคืออธิบายนอกเน<ะ>ี่ยนี่เรานอกไปที่ไหนก็ไม่ได้นอกสมมุติว่าพุทธพจน์พูดแค่นี้<ะ>เรื่องอธิบายลึกไปถึงนั้นเราอธิบายไปอีกมุมหยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพุทธพจน์บอกว่า ยกเลยดีกว่าสมมุติว่าพุทธน์บอกว่าแต่นี้เหมือนจะได้จะได้เข้าใจสมมติพุทธพจน์บอกให้พูดในเรื่องของอดีตนีให้ให้พูดในเรื่องของอดีตใช่ไหมบอกว่าอยังปุกเพตังวิโสเสธิเนี่นะเธอจง เธอจงทำกิเลสในอดีตให้เกิดแท่งไปเลยหรือเธอจงละนะกิเลสปาร업สังขารในอดีตจงละหรือจงปารลสังขารในอดีตทำความปารลด้วยกิเลสให้เกิดแท่งให้หายไปอย่าเงี้ยอันนี้ท่านเน้นให้อธิบายเรื่องสังขารที่เป็นมาในอดีตว่า อย่าไปปลารคอย่าไปคิดถึงด้วยได้ท้งตันหามานนักพิธีแต่กลับไปเขียนบอกว่าห้ามคิดถึงอดีตจบเลยนี่อย่างอย่างประโยคอย่างเงี้ยนั่เพราะว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เพราะไม่ใช่นั้นมีฐานรับรองก็คือว่าต้องไปดูในมหาวิทยาลัทีว่าท่านภาษารีบุตรท่านอธิบายว่ายังไงใช่ไหมเพราะประโยคต่อไปเป็นประโยคอนาคตถ้าอธิบายอดีต แล้วกอธิบายอนาคตแล้วประโยคที่กลางก็อธิบายาปฏิบัติท่าน อ, อธิบายอยู่แล้วนี่เราไปไปิบายเอาอาดีตแต่กลัวจะขัดหลักปฏิบัติของเรเองก็เลยรีบดึงอดีตมาอยู่ปัจิบันอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าปัจฉาเตมาหุกจินยนางอันานี้เป็นอนาคตอยู่แล้วส่วนมัจเชจะโนคเเหสสิได้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเห็นไหม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 ดึงฟ้าลงตั บ, บนี่ก็เรียกดึงฟ้าลงตับทำไม่ได้หรอกฟ้าคือฟ้าฟ้าคือฟ้าอย่าไปดึงฟ้าลงตับเข้าใจไหมไอพุทโพจน์เนี่ยของสูงเราไม่ได้ดึงแต่เราต้องการเชื่อมอดีตกอนาคตไดไ้เชื่อมได้เราอยากจะให้เขาเข้าใจว่าไอคำพูดอย่างนั้นไม่ใช่ ใช่ไหะต้องต้องอย่างนี้เรามีหน้าที่เชื่อมเชื่อมคือคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าจะอะไรฮะด้วการแค่คำด้วยการแค่ไม่ได้เลยนะครับด้วยหลักการตรงนี้ก็เหมือนกันทั้งโยมโยมยายก็ถือว่าไม่มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงพุทธคุณประกาศฐานได้ดีครับที่สุดนะฮะแต่มีหน้าที่เชื่อมให้คนไปเข้าใจพุทธคุ์ชัดขึ้น อาจจะถาชัดขึ้นดีกาชัดขึ้นแนี้ในส่วนนั้นเราจะต้องระ บ, บุไหมนะคะว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นขอบพูดของเราขอดูปั๊บรู้เลยน้อฮะใครรู้เขาจะคนที่อ่านนั่นแหละใช่ไหมอดูปั๊บแล้วแล้วมันอยู่ในคํานำได้เจ<อ>๊ไหมในคํานำเนี่ยเราสามารถจะมันทึกลงไปได้เลยบอกว่าในส่วนแห่งการอในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าเนี่ย่เจ๊ไหมข้าพเจ้าเนี่ย อธิบายช่วงระหว่างเชื่องระหว่างพุทธพจน์สูตรหนึ่งเข้าหาพุทธพจน์สูตรหนึ่งอัจฉริาเรื่องหนึ่งเข้าหาเรื่องหนึ่งอธิบายเชื่อมออืเชื่อมโยงเชื่อมโยงระพุทธพจน์เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงพุทธพจน์และเข้าถึงอัจฉริยะดีกามมากขึ้นใช่ไหมแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้อธิบายใช่ไหมแต่ข้าพเจ้าพยายามนํำเสนอให้ท่านนั้นน่ะมีการเชื่อมโยงระหว่างร้อยต่อ ระหว่างรอยต่อที <anim ever> <L> ừ, erm co ่ยกสูตรหนึ่งจากสูตรหนึ่งเข้ามาเชื่อมโยงกันหรือในระหว่างสูตรที่ท่านอธิบายเข้าไว้เนี่ยอโดยเกรงว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าไปเจ้าก็เชื่อมโยงใช้ภาษาของเข้าไปเจ้าอีกบอกไว้ในคำนำเลยอบอกไว้ในคำนำพักไปเลยแคนี้ไมต้องไปฟุ้งนูคืออะไรที่ตรงนั้นตรงนั้นแล้วเขาจะดูรู้แล้วคางทีตัวนังสื้อให้่ารแล้วเล็กร้อยเล็กน้อยแค่นั้นเองเล็กน้อย ถ้าเขาจะรู้ซึ่งซึ่งคุณโยมก็ทําอยู่ไปคถึงส<ะ>ังเกตดูในหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธประวัติที่ทํามาใช่ไหมก็จะมีบางทีมีงมวงเล็บไปนิดนิดใช่ไหม<ะ>ว่าหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยก็<ะ>อย่างเช่นว่าอันนี้กระชาติสังสารราสังเนี่ยเป็นต้นเนี่ย<ะ>บอกว่า<ะ>บอกว่าในช่างผู้สร้างเรือน<ะ>ใช่ไหมเราเราเดือดท่องเออเออค้นหาเจ้าไาอย่างยาวนาน เมื่อไม่พบเมื่อไม่พบในที่นั้นต้องงงเลยว่าเมื่อไม่พบสมาสัโวรีย์เนี่ยเราจึงเที่ยวไปอย่าเหมือย่างยาวนานเนี่ยแต่วันนั้นเราพอวันที่เราพบสัมมาสังวรีย์เราไปเห็นเที่ยวี่ยวเนี้ยใช่ไหมเขาว่าไม่พบในที่นั้นแล้วตั้งวงเลยนิดหนึยกระดาบอยู่ว่าไม่พบในที่นั้นหมายถึงไม่พบสัมมาทังวีย์นะอย่เนี้ยเขาทำให้คนอ่านโอ้างนั้นก็ไม่พบกันอยู่นั่นแหละ ก็ไม่รู้ไม่พบอะไรไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กระจายใช่ไหมไม่ขยายความใช่ไหม่พราไม่พบอะไรเพองค์จริงต้องเที่ยวไปอย่างยาวๆนะเพราะไม่พบสามมาสามปริยานถ้าอย่างเราก็เหนกันเนี่ยถ้าหันมาแล้วเราปัจเจกปุริยานก็ไม่พบปัจเจกปุริยานก็หาไปเลยในช่างผุ้สร้างเลยถ้าไม่พบสาวกปุริยานก็หาไปเจอในช่างผุสร้างเลยนห็นไหมตรงนี้มันก็ชัดขึ้นตรงเนี้จะได้จะได้มองเห็นว่าเออเป็นไปลักษณะอย่างนี้นี้นี่คือ คือเกี่ยวกัเรื่องของคําว่าทีนี้ประการต่อมาคือที่จะเชื่อมต่อตรงนี้ก็คือว่าขันเนาะลําดับเป็นขันธาตุและญาณชนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาสายเรียกว่าสงสารเรียกว่าสังสารลันนี้พูดถึงสภาวะเขาบอกว่าขันญาณชนนัทหรือขันาธนาตุญาณชนนัทใช่ไหมพูดถึงสภาวะตรเนี้ยขันก็คือรูปเวทนาสัญญาเป็นขันธาตุาก็คือจับขู่ ธาตุรูปประธาตจักรุญญาธาตุเป็นต้นจนถึงมนโนธาตุธรรมธาตุมโนญาเป็นที่สุเพราะอายตนะคือจักขรูปโสตเสียงเป็นต้นไปจนถึงใจแล้วก็ธรรมะเสรุปตรงนี้ก็คือการที่ฐันห้าฐันสี่ฐันหนึ่งหรือฐานธาตุอายตนะนี้มันหมุนอยู่ตลอดเอาแค่ว่าชีวิตของชีวิตหนึ่งก็คือการหมุนไปของฐานธาตุอายตนะ แค่ชีวิตเดียวเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นล้านเป็นโกดเป็นไม่รู้กี่ล้านกี่โกดชีวิตทุกชีวิตมันก็เป็นการหมุนไปของขันทาา่าระยะกันะทีนี้ถ้าว่าโดยสภาว่าธรรมก็คือการหมุนไปของ ท, างทาา่าขันท่าระยะกันนะแต่ถ้าว่าโดยสัตว์โดยบุคคลก็คืออ๋อสัตว์ท่องเที่ยวจากพบสู่พบจากภู ม, ส ม, สมิสู่ภูมิจากขันสู่ขันแล้วมันออกจากขันออกจากภูบออกจากภูมออกจากความเป็นสัตว์บุคคลไม่ได้ มี่ว่าโดยบุคคลอเป็นอย่างนี้เองทีนี้มันไล่โด ย, ยความสภาวธรรมก็ได้ไล่โด ย, ยความไม่ขาดสายบุคคลก็ไดนะ้วิธีอธิบายตรงนี้ก็คือสองส่วนสองส่วนแยกออกมาให้เห็ใช่ส่วนที่เป็นสภาวว่าตอนนี้ไงขันธทาขันธทานัปปติปาติจาอายะตถาตุอายะตนานะจกักอโพชชิณังวัตมานาสังสารโรติบูจิตินี่แหละอันนี้คื อ, รอเราตอบแห่งขันธาตุยะตนะที่เป็นไปอยู่ไม่ขาดสายและวัชสายะ